นี้แหละวันที่ฉันและเธอจากกันวันนี้แหละวันที่ฉันต้องรักจากไกลรังรักระทมระบมใจรังรักกะไรใจจะขาดสุดแสนอนาจิตใจสุดทนจำจากจำจนจำรากลายเฝ้ากรรมเฝ้ากรวนโอ้สุดรั้นจวนรักราวกระมอ อยากยังไกลจึงได้แต่ทนอุตสาหไม่บนอย่าห่วงกังวลเพราะฉันมีกรรมระเคยเคยพรำรำพันกันไว้อย่างไรระเคยทำไมไม่ซื่อไม่ตรงคงมำรักแล้วทำลืมให้รักคำ ร, ร, รักแล้วมาทำให้ใจเศร้ารักของเรายัางไม่กลับมา ทั้งฉันและเธอเคยพรำรำพันต่อกันทั้งฉันและเธอเคยให้คำมั่นสัญญา ฉันไหเธอมาลืมว่าจาฉันไหนเธอมาลืมไปได้เหตุใดหนอจึงไม่จำสักวันไม่น่าจะลืมจะร้างจะเลือนจะกลับจะไกลไม่น่าจะนายจะแหน่งกันแต่นี่เป็นกรรมจึงต้องจำไกลายให้วาดให้วันจำจากไรกันเสียแล้วล่ะเธอ รักเอ๋ยจะจำไม่ขอให้ช้ำต่อไปรักนี้จะฝังอยู่ในดวงใจเสมอฉันช้ำรักคำโพระรักเธอฉันเพลอละเมอเพราะใจมั่นโอรักของฉันนี่ช่างมีกล้ำ